ตอนตอบปัญหาสภาวะธรรมวันที่สามกรกฎาคม 2,559 ้ารห้าสบกาบน้ำส ก, การพระคุณเจ้าสามเณรคุณไม่ชีกและมิตรทุกท่านก็วันนี้มีคำถามเนาะเบาๆวันนี้เบาเบนั่งสบายสบายเนาะคำถามเพิ่งลอยมาเมื่อกี้เนี่ย ข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากเยอระะมันเพิ่งมาถึงมือพ่อครูเมื่อกี้เนี่ยกาบเรลียนถามท่านพ่อครูค่ะช่วงนี้หนูกำลังเบื่อมากคุยกับใครๆเขาก็จะไม่เข้าใจในสิ่งที่หนูพูดหนูมีคำถามว่าสติคืออะไรกันแน่เกิดมาจากไหนคะ ก็เป็นคําถามที่เออที่น่าสนใจสติรูปร่างหน้าตามันเป็นอย่างไรมันมีกี่แขนกี่ขามันแต่งชุดสีขาวหรือสีเหลืองหรือสีลายอันนี้คือคําถามที่มนุษย์ทุกคนมีคําถามนะถ้าพูดถึงตัวสติเนี่ยนะ เ, ออเราบอกว่ามันคืออย่างนี้คืออย่างนี้ไม่ได้นะแต่ว่า ถ้าให้พระครูตอบมันเป็นกำลังของสมาธิพระครูพูดบ่อยๆว่ายังมักมีองแปดเนี่ยข้อแรกที่ขึ้นต้นคือสมาทิติคือความเห็นชอบดำริชอบเป็นเรื่องของปัญญาวาจาชอบอาชีพชอบการกระทําชอบเป็นเรื่องของศีล น, นะเป็นเรื่องของศีลความเพียรชอบสติชอบสมาธิชอบเป็นหมวดของสมาธิ สติจึงอยู่ในหมวดของสมาธิยกตัวอย่างว่าเรามีกายเราออกกําลังกายบ่อยๆเราก็เกิดความแข็งแรงความแข็งแรงนี่เป็นกําลังของร่างกายเนาะสติก็เป็นกําลังของสมาธิสมาธิก็เป็นกําลังของจิตนะมันเป็นกําลังของจิต กายเราสมมติว่ามันเป็นจิตเราออกกําลังกายปุ๊บเนี่ยความแข็งแรงนั้นเกิดขึ้นกับกายนะมันก็เป็นค ว, ค, วความแข็งแรงของของของจิตนะมันก็อยู่ที่จิตนั่นแหละทีนี้ทุกคนมีสติหมดเกิดมาก็มีสติลน้นะเป็นสติตามธรรมชาติแต่ทุกวันนี้บางทีเราขาดสติเราขาดสติเพราะเราสู้อารมณ์ไม่ได้นะช่วงที่อารมณ์มันแรงกว่า สติมันกําลังไม่ถึงเนี่ยเขาเรียกว่าขาดสติสติมันขาดกําลังมันสู้อารมณ์ไม่ได้ถ้าอารมณ์เบาๆเออเรายังเห็นมันยังคุมได้เ อ, อมันมีหลายระดับระดับว่าเขาด่าเราปุ๊บหูได้ยินเสียงปุ๊บก็กระทบใจนะกระทบใจปุ๊บเกิดเวทนานะพอเกิดเวทนานี่เราไม่ทันแหละถ้าเราสติเราทันเราทันตั้งแต่กระทบหูปุ๊บจบนะ ถ้าสติเราทันนะกระทบหูปุ๊บดับเวทนาไม่เกิดนะทีนี้ถ้าสติเราไม่ทันมันก็เกิดเวทนาเกิดเวทนาแล้วยังไม่ทันอีกนะมันบันทึกสัญญาว่ามันด่าเราแล้วกระทบไอ้สัญญาเดิมที่บันทึกไว้ว่าเราไม่ชอบถูกดา่ามันสปาร์กกันนะถ้าไม่ทันอีกมันคิดปรุงแต่งล้สังขารเกิดนะคิดปรุงแต่งแล้วเธอดา่าฉันฉันเสียเปรียบไม่ได้ ฉันต้องด่าเธอภายในหนึ่งวินาทีเข็มวินาทีวิ่งแต็กขันห้าปุงครบองแล้วิญญาณเกิดวิญญาณนักสู้เกิดขึ้นเลยด่าไปคืนอยู่ที่ระดับสติเราแค่ไหนนะถ้าสติเราตั้งมั่นคล้ายๆว่ามันสมบูรณ์แล้วเนี่ยเขาด่าก็จบอยู่ที่หูได้ยินเสียงมันด่าก็จบละนะแต่ตอนนี้เราไม่ทันจนขนาดว่าเราสร้างกรรม เรารู้ทั้งรู้ว่าคนด่าคนมันสร้างวจีกรรมมันเป็นคนไม่ดีมันเป็นคนไม่ดีที่สุดเลยมันด่าฉันฉันฉันให้ฉันทุกข์แล้วเราก็ทนไม่ได้กับที่ถูกด่าเราก็เลยด่าไปคืนเราก็เป็นคนที่ไม่ดีเหมือนเขาเนี่ยเพราะอะไรคําว่าอินทรีย์พละจริงๆแล้วในภาษาพูดเคยคนเราแยกมีศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาวิชาการมันแยก เขียนปุ๊บมันก็มีแยกมันถึงมีคำว่าสติคืออะไรจริงๆแล้วมันอยู่ในอินทรีย์มันอยู่ด้วยกันหมดเลยนะมันไม่ได้แยกเออตอนนี้ใช้สตินะตอนนี้ใช้สมาธินะตอนนี้ใช้ปัญญานะมันไม่ได้แยกแบบนั้นมันอยู่ด้วยกันทั้งหมดแต่ภาษาวิชาการแล้วเนี่ยเขาก็แยกออกเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นขั้นเป็นตอนนะก็สติคือกาลังของสมาธิ มันก็ค <Danke> <soundtrack> ืออินรียห้านะอินรียห้าพละหเป็นกําลังของจิตนะทั้งหมดนี่เป็นกําลังของจิตจิตเราเปลี่ยนตลอดเวลาใช่ไหมคะจริงๆแล้วถ้าถามพระกรูจิตไม่เกิดไม่ดับไม่เปลี่ยนแปลงที่มันเปลี่ยนมันคือตัวเจตสิกตัวอารมณ์เหมือนมนุษย์เราประกอบด้วยกายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ รูปนี้ก็คือกายประกอบด้วยดินน้ำลมไฟเวทนาสัญญาสังขารเป็นเจตสิกเป็นเรื่องของอารมณ์แล้วก็วิญญาณเนี่ยคือตัวรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตเรารู้นนรู้นี่จิตมันรู้เพราะมันมีวิญญาณแต่รู้แล้วรู้สึกอย่างไรดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจมันเป็นเรื่องของอารมณ์เรียกว่าเจตสิกไอ้ตัวนี้เปลี่ยนแปลงตลอดนะไอ้ตัวนี้เป็นตัวเปลี่ยนแปลง ที่ว่ามันเกิดมันดับมันเกิดมันดับเนี่ยคือตัวอารมณ์ตรงนี้มันเกิดดับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราปฏิบัติทําถึงระดับสุดท้ายเราถึงรู้แล้วว่าจิตมันไม่ได้เกิดไม่ดับมันก็อยู่ของมันพระอาทิตย์ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงแต่โลกมันหมุนแต่เราคุ้นเคยว่าพระอาทิตย์ขึ้นที่ภาชนะใดเวลาเท่าไหร่ตกที่ขาดคูเดือเวลาเท่าไหร่นี่คือภาษามนุษย์ เราก็เลยคุ้นเคยว่าผ้าทิตย์มันขึ้นมันลงมันไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงมันก็อยู่ของมันแต่โลกเรามันหมุนจิตมันไม่ได้เกิดไม่ได้ดับแต่อารมณ์เนี่ยคือเจตสิกนี่มันเกิดดับนะคําว่ามันแปลเปลี่ยนไปเนี่ยคล้ายๆว่าสมมติว่ามันออกจากร่างนี้มันไปเกิดอยู่ในร่างอื่นเป็นเสือเป็นหมูเป็นหมาเป็นเป็นแมวเป็นยาจกเป็นเศรษฐีก็ช่างมันอยู่ใน ล่างอื่นเท่านั้นเองก็ใช่ไมนี่คือความเปลี่ยนแปลงของมันนะแต่ไอตัวเกิดดับนี่จริงๆแล้วนะมันเป็นเรื่องของเจตสิกนะเป็นเรื่องของอารมณ์ข้อที่สมแล้วแท้ที่จริงเราจริงๆคือใครคะโอนี่ถามแต่ละคำถามเนี่ยเนาะเขากำลังหาคำตอบอยู่เขากำลังเบื่อมากๆนิพผานอยู่ใกล้ๆนะนะความเบื่อนี่คือนิพพาลม เพราะครูบอกแล้วว่าถ้าไม่พร้อมอย่ามาปฏิบัติถ้าปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะกลายเป็นคนเพี้ยนในสายตาคนอื่นคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแล้ว ไ, ไเริ่มเริ่มเบื่อนะคุยคนไม่รู้เรื่องเนี่ยวิชาแรกเราก็เริ่งสำเร็จแล้วแล้ววิชาที่สองจะตามมาเราจะเป็นคนสิ้นคิดนะมันจะมันจะไม่อยากคิดอะไร แล้ ว, วิชาที่สามตามมาเราจะไม่มีอนาคตเราจะอยู่ปัจจุบันตลอดแล้วถ้าไม่หยุดปฏิบัตินะเราจะมีวิชาที่สี่คือเราจะไม่มีวันผุดวันเกิดนะสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงกับเราเหมือนเราเพียนในสายตาคนอื่นนะเป็นเรื่องปกติมันคือผลที่เราปฏิบัตินะสมัยก่อนทํางานเหนื่อยมากแล้วนะยิ่งทํางานเมืองนอก ทำงานร้านอาหารสี่ห้าทุ่มก็จะกลับบ้านหกทุ่มเหนื่อยเหนื่อยเพื่อนชวนว่าเฮ้ยมันเบื่อมากไปเที่ยวยังไปเที่ยวถึงตีสองตีสามพราควรแหล่ะคนหนึ่งนะเออกลางคืนไปกินเบียกกินเหล้าแทงสนุกเกอร์อะไรถึงสว่างเห็นไหมขนาดมันเหนื่อยแล้วนี่มันไปเพิ่มความเหนื่อยอีกพอเราปฏิบัติปุ๊บเนี่ยเราไม่อยากไปเพื่อนว่าเราเพี้ยนละ่ะเรากลายเป็นคนเพี้ยนในสายตาเขาแนละ้ว นะอันนี้เป็นเรื่องปกติจงเพียนต่อไปถ้าต้องการพ้นทุกข์จริงๆนะมีคำถามว่านิวรที่พ่ะครูบอกเป็นสิ่งขวางกั้นทางเดินคืออะไร<ม>เนี่ยคือคำถามเราที่เราถามเนี่ยก็เนื่องจากเรามีนิวรณ์นั่นแหละเราถึงถาม ไอ้สิ่งขวางกั้นทางเดินเด็กๆก็ไม่เข้าใจนะทางเดินคือใครเดินมัจคือทางเดินไปสู่การพ้นทุกข์มันเป็นทางเดินของจิตนะไม่ใช่ทางไฮเวย์ซูเปอร์ไฮเวย์รถยนต์วิ่งไปวิ่งมาไม่ใช่ทางแบบนั้นคำว่าทางมัจเนี่ยคือทางเดินของจิตจิตเกิดมาเพื่อเดินทางต่อทีนี้สิ่งขวางกั้นทางเดินเนี่ยที่เรียกว่านิวรห้มันมีอยู่ห้าประการทางวิชาการ เขาเขาก็เขียนเป็นภาษาบาลีเนาะข้อที่หนึ่งคือถินมิทะข้อที่สองวิจิกิจฉาข้อที่สามพยาบาทข้อที่สี่อุทจักกุตกระจะนะข้อที่ห้ากามฉันทะทีนี้ก็แปลเป็นภาษาไทยง่ายๆนะคือนิวรถ้าเราจัดตามลำดับของฌานนะเออมีฌานสี่นะ เริ่มจากวิตกวิจารปิติสุเอกคตาเนี่ยนะทีนี้ไอ้ไนิวรนขวางกัน้นทำให้เราเข้าไม่ถึงฌานเนี่ยมันมีห้าอย่างนะอันหนึ่งคือถินมิทธะนี่มันคือความง่วงเหงาหานอนพอนั่งปุ๊บอาหาวู้ดกูง่วงจังเลยจริงแล้วเรามา่ได้ง่วงจริงๆมันเป็นธรรมบลมมันเป็นนิวรนเห็นไหมแต่เป็นกรรมที่เราเคยอดหลับอดนอน ไปเที่ยวเตะดือดดือดนๆดตอนไปเที่ยวเนี่ยนะไปเต้นลาฟังอยู่ไหนครับถึงสว่างเลยกูไม่ง่วงเลยนะแต่ทีนี้มันก็สะสมความง่วงไว้มันเป็นกรรมเราพอมานั่งกรรมฐ า, านนึกมาฝึกจิตนี่มันจะออกมาเลยเราต้องรับกรรมนั้นนะมันออกมาในรูปของถินมิทธนนี่แหละความง่วงเหงาหานอนได้แก่ความรู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยอ่อนทั้งกายและใจซึ่งเป็นนิวรณ นิวรทํามคอยกั้นวิตกองฌานนะมีให้ก้าวไปสู่ฌานได้มันคือสิ่งขวางกันนะทำทำให้เราเข้าไปสู่องคฌานขั้นต้นคือตัววิตกวิตกนี้เป็นองคฌานอย่างหนึ่งนะไอ้ตัวนี้เป็นกว่าขวางกันตัวที่สองวิจิกิจฉานี่มันคือความลังเลสงสัยที่นี่มีหลายคนมีผู้รู้หลายคนอ่านหนังสือกระตับกระตึกนะเออ เที่ยว น, นี้ก็ขนมาให้พระครูเป็นเป็นเข่งเข่งเป็นหลังๆังเลยนะนะเรียกว่าขยะความรู้ให้พวกนี้นะ่ะจะสร้างให้เราเกิดวิจิตกิจฉามากความลังเลสงสัยไม่แน่ใจคือความไม่เด็ดขาดไม่เชื่อตัวเองนะเพราะความรู้เราไม่ใช่ความรู้เราเองเป็นความรู้เราที่เราไปท่องจำเรียนแบบคนอื่นนะอ่านคนนี้พูดอย่างนี้อ่านคนนี้พูดอย่างนี้อ่านคนนี้พูดอย่างนี้ เอ๊คุณมดุจะไปทางไหนคนพวกนี้มีความลังเลสงสัยอยู่เรื่อยมันก็เป็นสิ่งขวางกันนะเขาเรียกว่าเป็นศัตรูต่อวิจารองค์ฌานไอ้ตัวนิวรณ์ตรงนี้เนี่ยตัวลังเลสงสัยเป็นศัตรูไม่ให้เข้าเราเข้าถึงฌานไอ้ตัววิจารตัวที่สามพยาบาทความพยาบาทคือความไม่พอใจไม่ชอบใจ ทำให้ใจคอห่อเหี่ยวเหี่ยวแห้งทำอย่างเสียไม่ได้ตอนนี้มีแม่ชีเมื่อกี้มดวันนี้พ่อครูคุยกับแม่ชีดีมนะเราเรียกแม่ชีน้อยแม่ชีใหญ่หมายถึงใครเนาะทีนี้มันมีสามแม่ชีตรงนี้นะแกก็บอกว่าเออแม่ชีปฐมแม่ชีมัธยมแล้วก็คุณแม่ชีที่เป็นเป็นผู้ดูแลเนาะ ม่รูเรียกไปก็เป็นเมชีหมดไงก็ตอนนี้มีเมชีหลายคนนะนะเวลาปฏิบัติชักชักจะเบื่อแล้วนะวิ่งไปหาเพื่อนซึ่งเป็นชักโคกนะไปนั่งอยู่กับเพื่อนชักโคกอยู่ตรงนั้นเพราะครูแอบดูหลายคนนะหลับตาไอ้หลบพวกครูไม่ได้หรอกนะก็ก็เห็นเห็นอารมณ์เนี่ยเออตัวตัว ตัวนิวรณ์ตรงนี้เป็นเรื่องธรรมดาลูกนเป็นไม่เป็นวิสัยธรรมดาแต่เราต้องพยายามข้ามมันให้ได้ไม่ใช่ไปนสนองมันนะไอ้นี้ซึ่งเป็นศัตรูต่อปิติองค์ชานทำให้เราเข้าไม่ถึงองค์ชานที่เรามีปิตินะไอ้ตัวนี้ก็เป็นสิ่งขวางกั้นส่วนตัวที่สี่นั้น่ะ คือความฟุ้งสั้นลาคาญใจคือความรู้สึกไม่สบายใจและกายใจคองุดหนิดงุ่นงานซึ่งเป็นศัตรูต่อสุของชาตเราจะสุขไม่ได้ลูกถ้าจิตใจเราลำคาญใจอะไรงุดหนิดอย่างนี้เราจะสุขไม่ได้นะก็เรากำลังปฏิบัติเพื่อล้างมันออกอยู่แต่ช่วงปฏิบัติแล้วเนี่ย นิ่อลก็เกิดขึ้นมาแรงมันมีหน้าที่ขวางเราเหมือนเราเป็นนักมวยถ้าเราไม่มีคู่ชกเราก็ไม่แข็งแรงไงลูกนะไม่ใช่เราหนีมันนะหนีมันเราก็ไม่แข็งแรงประชิญมันนะประชิญมันบ่อยๆนะเดี๋ยวเราจะข้ามพ้นตัวนี้ตัวที่ห้าเนี่ยตัวนี้สำคัญมากนะตัวกามฉันทะคือความพอใจในกามได้แก่ความลุ่มหลงเพลิดเพลินในอารมณ์ รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสจิตใจที่เป็นสมาธิตั้งมั่นจะไม่มีอารมณ์เหล่านี้ปรากฏอยู่เลยจึงเป็นสิ่งตรงข้ามและเป็นศัตรูต่อเอกคตาอง์ชาญนะเอกคตาคือสงบนิ่งนะแต่ถ้าเราไปติดสูกกับไอ้เรื่องกา ม, มาคุณาทาตรงนี้นะเราเพลอดเพลินกับมันเนี่ยนะเราจะไม่มีวันสงบอารมณ์เราจะ ก็เพิ่มตลอดเพราะความอยากนะไอ้ตัวนี้เนี่ยก็มีห้าอย่างนี้ลูกนะเป็นคู่ชกเราเป็นครูบาอาจารย์เรานะเป็นคู่ซ้อมของเราแต่หลายคนบางช่วงมันมาแรงมากนะความมุ่งมั่นความตั้งใจเราไม่พอเราก็เลยวิ่งเข้าไปหาเพื่อนสนิทเราคือชักโคก ร, รู้สึกอุ่นใจเมื่นั่งบนชัโคกนะ มันมันระ ง, งับได้ชั่วคราวลูกนะถ้าเกิดเราไม่มุ่งมั่นข้ามมาได้แล้วหนีไปไหนก็ไม่ได้นี่วณนเหล่านี้นจะตามเราไปตลอดนะมันก็คือผลของกรรมเราที่เราเราสะสมมายาวนานนะก็คำถามต่อไปอันนี้เกิดขึ้นเมื่อสองสามวันก่อนนะถามสดๆกับพ่อครูนะ คือพ่อครูบอกไม่ต้องพยยิจารณาไม่ต้องตัดสินไม่ต้องคิดคนคิดเป็นคือคนไม่คิดไม่ใช่คนคิดเก่งคนคิดเก่งยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์เรียกว่าคนคิดไม่เป็นคำถามเขาว่าถ้าไม่คิดเราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่ทำมันถูกหรือมันผิดและผลมันออกมาจะเป็นยังไงนะคนที่ถามพระครูคงรู้นะว่าใครนะนั่งอยู่แถวนี้แหละ ทีนี้เราแน่ใจยังไงว่าสิ่งที่เราคิดมันจะถูกเห็คิดว่าคิดแล้วถึงจะรู้เลยว่ามันมันจะถูกส่วนมากที่มันไม่ถูกเน่เพราะมันคิดนะมันคิดตามกิเลสไงตั้งแต่คิดปุ๊บก็ไม่ถูกแล้ะเราสร้างมโนกรรมแล้วก็คือไม่ถูกนะคนคิดเป็นคือคนไม่คิดไม่ใช่คนคิดเก่งแที่เราคุ้นเคยว่าเฮ้ยไม่คิดได้ยังไงไม่คิดมันจะรู้หรอ เห็นไหมไม่คิดเราจะรู้เลยว่าทำแบบนี้มันได้ผลมากกว่าทำแบบนี้มันได้ผลน้อยกว่าเห็ไหมถ้าคนคิดแล้วมันถูกต้องหมดทุกคนสำเร็จในชีวิตเป็นมหาเศรษฐีหมดหรือว่าเข้าสู่นิพพานหมดแล้วถ้าไปนิพพานด้วยความคิดเนี่ยถ้าเอาความคิดเราคิดเก่งนั้นไงเรียนวิชาคิดจนจบดอกเตอร์ก็มาฆ่ากันไงทุกอย่างทาหน้าที่ไปอยู่ปัจจุบัน เมื่อกี้คำถามว่าเราจะรู้ยังไงผลมันจะดีไม่ดีเห็นไ้มเราอยู่อนาคตแล้วเราคิดเพราะเราอยากได้ผลเรามีอามิตแล้วนี่แหละคือผิดคิดปุ๊บผิดเลยเพราะมันอยากไงมันถึงคิดทีนี้เราก็รู้แล้วว่าทุกสมุทัยนิโรธมรนะตัวสมุทัยคือตัวตัณหาคือที่มาของทุกเราจะเริ่มเราเริ่มต้นจากสมุทัยแล้วเราจะถูกได้ยังไง เราคิดปุ๊บสมูทไทยแล้วถ้าไม่มีสมูทไทยมันไม่คิดหรอกมันมีความอยากไงมีตัณหามันถึงคิดคิดกลัวว่าจะไม่ได้ผลดีเห็นไหมแล้วมาอยู่ปัจจุบันเรามีอามิตรเราหวานพืชเพื่อหวังผลมันเป็นกิเลสเนาะจริงๆแล้วมันไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีดีไม่มีชั่วแต่ภาษาบอกว่าเออถ้าไม่คิด เราจะรู้ได้ยังไงมันถูกเพราะกูก็ถามคืนถ้าเราคิดเราจะรู้ได้งไงว่าเราคิดถูกเห็นไหมก็ทุกคนคิดว่าตัวเองถูกเท่านั้นแหละมาถึงทะเลาะ ก, กันทุกวันนี้ไงถ้าต่างคนต่างไม่คิดไม่ต้องทะเลาะ ก, กันเลยนะมันไม่ต้องทะเลาะ ก, กันไงไม่ต้องทะเลาะ ก, กันเลยนะนั่นแหละคือความถูกต้องแหละคือไม่ต้องทะเลาะ ก, กันคิดจเจ้าชนะเขาเลยวางแผนชั่วลายก็เอา โกงก็เอาเหมือนเราดูภาพยนตร์เมื่อคืนนี่เด็กๆ ด, ดูพระพุทธเจ้าเจ้าชายชิรัต t h สู้กับเทวทัตเห็นไหมเห็นไหมเทวทัตมันโกงแล้วกงเล่าโกงแล้วกงเล่า แ, แล้วสุดท้ายมันแพ้ทําไมล่ะเห็นไหมล่ะ ม, มันคิดแต่วางแผนจะเอาชนะเขาอย่างเดียวเนี่ยนะอันนั้นเป็นกิเลสนะมันเป็นกรรมด้วยมนโนกรรมคิดก็เป็นมนโนกรรมคิดดีก็ทุกขคิดชั่วก็ทุก เพราะเราอยากนั่ยเราถึงคิดถ้าเราไม่ต้องเราไม่มีความอยากแล้วไม่มีเหตุผลต้องคิดถึงเวลากินเราก็กินถึงเวลานอนเราก็นอนถึงเวลาเราทําอะไรเราก็ทําให้มันดีที่สุดผลมันออกมาไปยังไงมันเป็นผลพลอยได้ไม่ใช่เป้าหมายเห็นไหมถ้าเราทํามีเป้าหมายปุ๊บเรามีอนาคตดถึงคิดวางแผนไงถ้าบังเอิญว่าจิตใจมันไม่บสุทกรปกมันคิดตามกิเลสมันก็คิดวางแผนทําความชั่ว การชนะของเราเกิดขึ้นจากเราทําให้คนอื่นแพ้ใช่ไหมเห็นไหมเด็กๆ เ, เข้าค่ายเที่ยวนี้เนี่ยโรงเรียนเราเข้าค่ายเดือนหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคำถามเป็นคําถามเดียวที่เยอะมากทําไมโรงเรียนเราเนี่ยไม่ส่งให้ไปแข่งกับโรงเรียนอื่นนะเด็กๆโรงเรียนอื่นเขาแบนเนี่ยไปแข่งเราเคยไปแข่ง แข่งไปตามประเพณีกีฬาแล้วแล้วก็ไม่นักเรียนก็ไปทะเลาะกับโรงเรียนขึ้นครูก็ไปทะเลาะกับเขาการแข่งขันคือจุดเริ่มต้นของความแตกแยกการแข่งขันจะทําเราเห็นแก่ตัวเราจะไม่แบ่งปันเพื่อนจะถามในเรื่องนะี้กูจะบอกมึงเดี๋ยวกูจะไม่ได้ที่หนึ่งไอการแข่งขันทําให้คนทุกวันนี้เนี่ยมันทะเลาะกันมีแต่ความเห็นแก่ตัวมันคือจุดเริ่มต้นของความแตกแยกโรงเรียนเราไม่ต้องแข่ง ถ้าคว่าแข่งขันก็คือว่าเออเราไปประเมินมันสอบเราแข่งกับกิเลสเราเราแข่งกับตัวเองไปประเมินว่าเราทำได้เท่าไหร่ไม่ใช่แข่งกับคนอื่นการกระตุ้นให้แข่งขันกับคนอื่นเนี่ยมันจะเกิดนิสัยที่ว่ามันจะเอาตัวรอดแล้วมันต้องการชนะแล้วมันจะกลายเป็นคนใจแคบสังคมทั้งโลกตอนนี้เป็นอย่างนั้นหมดนะ ที่นี่ไม่ต้องแข่งกับใครเรายองแพ้คนเพื่อชนะกิเลสดีกว่าแพ้กิเลสเพื่อชนะคนนะอันนี้คือทางพ้นทุกข์พยายามทําความดีแล้วทําไมยังมีปัญหาเยอะแยะความดีทําให้พ้นทุกข์ได้จริงเหรือความดีทําให้พ้นทุกข์ได้จริงเหร อ, าห ก, รหรอการทําความดีถ้าแฝงด้วยอัคติ ทำความดีเพราะฉันชอบไม่ใช่ดีจริงๆนะไม่บริสุทธิ์ทำเพราะกิเลสมันชอบนะเขาเอาวิดีโอมาขโมยถ่ายเราเนี่ยโอ้ใส่บาตรทุกวันนะไปช่วยเหลือเด็กยากจนทุกวันแต่ในลึกในลึกๆมีเป้าประสงค์เพื่ออยากจะเป็นคุณหญิงคุณนายเพื่ออยากให้เขาชมเชยเนี่ยนะอันนี้เป็นบุญกิริยา เป็นกิริยาในการทำบุญเฉยแต่ไม่ใช่บุญกุศลจิตไม่เป็นกุศลเลยมันมีอาม i t h เรียกว่าดีไม่ได้นะมันมีอามิ t นะจิตไม่บริสุทธิ์มันมีอัคตินะเรื่องอคตินี้พรอครูก็เคยพูดมาหลายครั้งแล้วนะก็ก็ไม่เป็นไรก็ภาษาธรรมมันมีไม่เยอะหรอกก็อยู่แค่เนี้ยพูดกี่ปีก็แค่นี้เพียงแต่ว่าฟังแค่นี้วันนี้เข้าใจแค่นี้ฟังแค่นี้พรุ่งนี้เข้าใจแค่นั้น นะแต่ละวันเข้าใจไม่เหมือนกันนะถ้าเราเป็นเปลี่ยนไปเรื่อยๆ อ, ยนะอคติคือความลำเอียงหมายถึงความเอ็นเอียงเข้าข้างความไม่ยุติธรรมความไม่เป็นกลางความไม่เป็นหลักเป็นการดำเนินไปในแนวทางที่ไม่สมควรไม่ควรไปหรือไปไม่ได้หมายถึงแนวทางที่ไม่ควรปฏิบัติ เพราะเมื่อปฏิบัติไปย่อมทำให้หมู่คณะกิจการและความดีงามดำเนินต่อไปได้ยากหรือไปไม่รอดบางทีมันจะมากไปหรือน้อยไปถ้าเราทำเพราะเราชอบเราก็อ้างว่ามันดีมันดีแล้วก็ทำจนไม่ไม่หลับไม่นอนไม่ต้องกินมันแฝงด้วยความอยากนะบางทีมันมากไปแล้วก็พาคนในองค์กรบังคับให้เขาต้องทาอย่างเราด้วย ที่นี้กาลังมันไม่เท่ากันทีนี้เดี๋ยวความขัดแย้งมันจะเกิดขึ้นเขาเรียกว่าหวังดีประสงค์ลายอคติมันจะทำให้เราไม่เห็นตามความเป็นจริงว่ามันเป็นนานาจิตต์ตังนะบางทีก็มากไปบางทีก็น้อยไปไม่ทำตามเหตุปัจจัยตามที่มันเป็นจริงอย่างนั้นมันถูกอคติครอบงมอยู่นะทีนี้อคติในทางวิชาการเขาก็แบ่งเป็นสี่อย่าง นะหนึ่งฉันทาคติคือลำเอียงเพราะเราชอบเพราะเราชอบในกอในขอมันทะเลาะ ก, กันเห็นไหมเราเป็นคนตัดสินเนื่องจากเราชอบในกอเราก็เอียงเข้าข้างในกอมันจะไม่เป็นกลางนะบางทีเราไม่รู้หรอกนะเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าเรามีอคติอยู่ แต่เป็นสัญชาตญาณของกิเลสมันจะตัดสินตามที่มันชอบแล้วก็อันที่สองโทสาคติก็คือลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะชังเราตัดสินเพราะเราชังมันนะเราไม่ได้ตัดสินตามความเป็นจริงนะอันนี้คือลำเอียงเพราะเราชังอันที่สามพยาคติลำเอียงเพราะเรากลัวเรากลัวแพ้ นะเรากลัวตายนะเราจะตัดสินตามความกลัวของเราเราไม่ตัดสินตามความเป็นจริงในนั้นนะอันที่สี่คือโมหะกติคือลำเอียงเพราะเราหลงนะเราหลงอะไรเราหลงชอบอะไรรักอะไรเราวล่ามันดีดีดีดีดสมมติว่าเราเป็นคนชอบสีขาวเราเข้าหุ้นกับเพื่อนเนี่ยตั้งโรงงานหนึ่งผลิตสินค้าชิ้นหนึ่ง นะเพื่อจะเอาไปขายเราไม่ไปศึกษาดูว่าผู้บริโภคนันมันชอบสีอะไรเราก็จะเสนอที่ประชุมว่าให้สีขาวมันดีนะเราก็จะเอาเอาเอาความที่เราหลงเนี่ยมาเป็นเหตุผลอ้างโน่นอ้างนี่พอผลิตออกมาปุบขายไม่ได้เพราะคนซื้อเขาไม่ชอบสีขาวนะมันเป็นอย่างนี้ถ้าคนเรามีอคติเนี่ย ทุกคนพ่อครูพูดแล้วนี่หัน ม, มองตัวเองนะเป็นมาตวัดตัวเองนะมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติของกิเลสทุกคนบ่มเพราะตัวเองมาเยอะโเฉพาะยุคนี้เนี่ยเป็นยุคแข่งขันเสรีเนี่ยทุกคนมีตัวนี้ทั้งนั้นแหละแล้วก็ะแรงมากนะอคติเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้ปกครองหรือผู้นําควรเว้นควรเว้น ถ้าเว้นไม่ได้ความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นหลักความยุติธรรมก็ไปไม่รอดนะทีนี้ทรรมที่จะลดอคติได้คือนะไม่ชีน้อยหลายคนตั้งแต่เปิดเทอมเคยเรียนแล้วนะนะคือพรมวิหาร พรมวิหารทำถ้าทําบ่อยๆเนี่ยเราจะล้างอาคติเหล่านี้ได้เอาละเรามีความไม่ชอบมันแต่ความเมตตาเรามากกว่าเราเราจะข้ามพ้นความไม่ชอบได้เข้าใจไหมนี่แหละพรมวิหารเนี่ยดําเนินไปเรื่อยๆนะเราจะมีอินทรีย์พาร ะ, ะมาชนะอคติเราได้พรนะมวิหารมันเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าเราไม่ฝืนกิเลสในช่วงกิเลสยุคนี้เนี่ยเราถูกสอนให้แข่งเพื่อชนะอยู่แล้วเรื่องอะไรจะแพ้มันออชนะก็ได้แล้วไงความโลภเราก็มีไงเห็นไหมกิเลสเรากลายเป็นความโลภเราต้องการเราต้องการเอาเปรียบมันเราต้องการได้ชนะมันไงแต่ว่าพมวิหารเนี่ยเราต้องฝืนกิเลสถ้าเราไม่ฝืนกิเลสเนี่ยเราก็ให้มันไม่ได้เพราะเรายังไม่พอไงนี่แหละการปฏิบัติธรรมเนี่ย ธรรมะพรมวิหารก็ไม่ละเวน้นเราต้องฝืนกิเลสเราเมื่อฝืนบ่อยๆบ ย, บอ ย, บอยไอ้กิเลสที่เป็นเชื้อที่ทำให้เรามีอคติเนี่ยมันก็อ่อนแองไงเห็นพรมวิหารทำจึงสำคัญมากนะต้องทำเป็นกิจวัตรประจำวันการทำความดีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อลดอัตรา ไม่ใช่เพิ่มอัตราไปหลงดีเมื่อไหร่จะเพิ่มอัตราไปหลงว่าฉันเป็นผู้ให้ฉันเป็นคนเสียสละอันนั้นน่ะยิ่งทำก็ยิ่งมีอัตราเยอะหลงตัวเองอันนี้อันตรายมากนั่งอยู่เฉยๆยังไม่ขาดทุนนะเป็นคนให้อะดีแล้วให้ละดีแล้วแต่หลงว่าฉันเป็นผู้ให้เมื่อไหร่เนี่ยสร้างอัตราขึ้นมานะ อันนี้ที่ทําไมทั้งหมดเนี่ยศูนย์เปล่าขาดทุนด้วยให้เรามีอัตตานี้ขาดทุนนะยิ่งให้ยิ่งลดตัวตนยิ่งการให้ให้บ่อยๆเพื่อทําลายตัวตนไทยอาลายอัตตาให้มันเล็กลงเล็กลงเล็กลงมันเป็นทางเดียวที่เราจะพ้นทุกนะอัตตานี่มันทําให้เราเกิดมิจฉาทิฏฐินะเราเป็นหลงดี ผู้เจ้าสอนให้เราทำดีทำแค่พอดีแต่ไม่ติดดีแล้วก็ละชั่วด้วยแล้วไม่พอนะต้องขัดเกาจิตให้ผ่องใสด้วยซึ่งเราใช้ชีวิตนี้ทุกวันเนี่ยเราทำสามอย่างนี้อยู่แล้วนะทำได้ร0 0็บ้าง8ปดิบเอร์ซบ้างห้าิบตบ้างแต่ก็ได้ทำทุกวันนะต่อไปเนี่ยเอาสาลาเป็นเพื่อนดีกว่าเวี่ยงชักโคกทิ้งเนาะ มันไม่ใช่เพื่อนที่ซื่อสัตย์กับเรานะมันหลอกเราเนาะมันหลอกให้เราหนีความจริงเนาะก็คำถามต่อไปโปรแกรมสุริยันจันทาควรให้จิตเข้าลึกมากแค่ไหนเช่นถ้าอยากร้องดังๆออกมาควรหรือไม่คะขอให้ค ว, ควบคุมตัวเองได้เราไม่มีปลอดวัดหรอกมันลึกมากแค่ไหน แต่ถ้าชุ ร, ยริยันจันทาจริงๆเรายืหนหมุนเนี่ยนะถ้าเป็นหลงข้างในเมื่อไหร่เนี่ยมันจะล้มนะจิตมันไม่ปล่อยให้เราล้มหรอกบางคนเขาเข้าไปลึกแล้วนี่บางทีอารมณ์มันจะออกก็ปล่อยออกไม่เป็นไรแต่อย่าตั้งใจไปร้อ ง, อง <S <S มึงร้องได้กูก็ร้องได้ไอันั้นก็กลายเป็นว่าเราตั้งใจทามันไม่ใช่ของจริงนะมันเป็นกายเวทนาจิตทำ ช่วงที่เราเวียงสังเกตไหมช่วงเราเวียงเราไปปุ๊บมันถูรูถู ก, กังไปเลยตอนนั้นเนี่ยดิ่งเข้าไปในจิตในจิตอย่างเดียวเลยนะอันนั้นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่สุริยันจันทา น, นี่มันเป็นมหาสติปฐานนะไอ้ตัวหมุนนี่มันเป็นอุบายวิธีที่ทำให้เรามีสติใช้สติตลอดมันเข้าไปมันก็เอาลมนั้นออกมามันจะหมุนอยู่อย่างนี้ตลอดถ้าเรา เผลอสติไปติดอารมณ์นั้นเมื่อไร่เนี่ยเราจะล้มนะเอาเป็นว่าคำตอบคือว่าขอให้ควบคุมตัวเองได้เพราะกูไปนั่งดูหลายวันนะมีสองคนคุณลุงโชดหมุนไปบุนมาก็ไปตกอยู่ตรงใต้โคนต้นไม้อันนี้ขาดสติไม่ชีวกบคนนึงก็เกือบจะล้มก็ไปชมเป็น ว, ว่า ขอให้เราควบคุมตัวเองได้อย่าชนกับใครนะแต่ทีนี้เวลามันมันเผลมก็เป็นพอมีสติพุบต้องดึงกลับมามันเป็นการฝึกเป็นสติสัมปชัญญะโอเคนะคำถามต่อไปตัณหาสามอันได้แก่กามต า, า, าตัณหาเพราะว่าตัณหาวิภาวะตัณหานั้น แตกต่างกันอย่างไรคะก็ตัณหาคือความทยานอยากนะความติดใจความยึดติดเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ตัวสมุทัยนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกเกิดทำให้ดิ้นรนทำให้เดือดร้อนวุ่นวายไม่สงบ และไม่รู้จักพอความอยากที่เป็นตันหาความอยากซึ่งเป็นตันหาแล้วก็มีความอยากซึ่งไม่เป็นตันหานะความอยากที่เป็นตันหาคือความอยากที่เป็นไปเพื่อเพิ่มราคะเพิ่มกิเลสคือโลภโทสะโมหะก่อพบก่อชาติ ประกอบด้วยความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินติดใจอยู่ในกับสิ่งที่อยากได้และที่ได้มาแล้วความอยากที่ไม่เป็นตันหาคือความอยากที่เป็นไปเพื่อขจัดทุกข์เพื่อสละละวางเพื่อหลุดพ้นจากราคะจากกิเลส คือโลภโทสะโมหะเช่นหิวข้าวอยากทานข้าวเจ็บป่วยอยากรักษาอยากทำบุญอยากไปนิพพานอันนี้ก็เป็นตัวอยากแต่ยังไม่ใช่ตัณหานะถ้าเป็นตัณหาก็เป็นเจตนาเป็นกรรมทันที เป็นเจตนามันจะบันทึกสัญญานะทีนี้ข้อที่หนึ่งกา ม, มาตัณหาคือความต้องการทางกลามได้แก่อารมณ์ทั้งหกคือตัณหาในรูปตัณหาในเสียงตัณหาในกลิ่นตัณหาในรสตัณหาในสัมผัสทางผิวหนัง หรือทางร่างกายตัณหาในธรรมที่เรียกว่าธรรมะตัณหาที่พวกครูเรียกว่าธรรมะลมนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์ที่ใจเรียกว่าธรรมะตัณหานะความอยากที่เป็นไปในกามภพของสัตว์มนุษย์เทวดาก็เป็นกามตัณหาเช่นเดียวกัน ข้อที่สองที่ถามมาเพราะว่าตัณหานะคือความอยากมีอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่นะความอยากที่เป็นไปในรูปพบรูปประพบคือความอยากของรูปประพรมก็เป็นภวะตัณหาเช่นเดียวกันนะข้อสามวิภวะตัณหานะ คือความไม่อยากเป็นนั่นเป็นนี่มันกลับกันกับภาวะตันหาอันนี้คือไม่อยากเป็นน้นไม่อยากเป็นนี่เขาบังคับให้เป็นไม่อยากเป็นก็ทุกนะอยากให้สิ่งหรือภาวะที่ไม่ชอบใจหมดไปความอยากที่เป็นไปในอรูปประพบคือความอยากของอรูปประพรมก็เป็นวิภาวะวิภวะตันหาเช่นเดียวกันเหมือนเราติดสุกในชาน นะจิดสุขในฌานอันนี้วิภวะตันหามันก็จะส่งผลให้ไปอยู่ในพรมโลกตันหาเมื่อจิตใจยึดเหนี่ยวอย่างมั่นคงเหนียวแน่นก็เป็นอุปทานดังนั้นตันหาจึงเป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานขึ้นตันหาอุปทานก็เป็นส่วนที่ทำให้เกิดอคติด้วย ฝนตกเนาะก็พ่อคูจะสรุปเรื่องหนึ่งที่เราผ่านมาสามสี่อาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วพ่อคูไม่ได้พูดไม่สะดวกนะก็เราพูดเรื่องพระอรหันต์มีพระพาหิยะพระราหุนพระศิวลีนะพ่อคูจะสรุปนะเราได้อะไรนะพระอรหันต์ทั้งสารูปนี่พ่อคูดูแล้วเนี่ยกี่รูปก็ช่างเนี่ยในในปฏิปีดกเขาก็พูดเรื่องอดีตก่อน อดีตกรรมทั้งฝ่ายบวกฝ่ายลบฝ่ายกุศลฝ่ายอากุศลแล้วก็ส่งผลให้ชาติสุดท้ายเกิดเป็นอะไรนะแล้วก็วิธีบรรลุธรรมอย่างไรไม่เหมือนกันสักรูปหนึ่งส่วนสามรูปนี้เนี่ยสามพระอรหันเนี่ยพระพาหยะบรรลุธรรมเพราะฟังธรรมครั้งเดียวนะไม่มีพื้นฐานของศาสนาเลยไม่มีศีลสมาธิปัญญา นะแต่เนื่องจากบุญเก่าที่ฝึกมาแล้วแต่ชาติสุดท้ายนี้ไม่ได้ฝึกอะไรเลยบุญเก่าทาให้มาพบพระพุทธเจ้านะพระองค์บิณฑบาตอยู่ก็กราบขอร้องให้พระองค์เทศให้ฟังพระองค์บอกไปที่วัดก็ไม่ยอมขอร้องอยู่สามครั้งนะพระองค์ก็เห็นวาลาจิตและพระองค์ก็เทศนะ บอกสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าได้กลิ่นสักแต่ว่าลิ้มรสสักแต่ว่ากระทบผัสสะไม่พิจารณาไม่ตัดสินบังเอิญบุญเก่าพาหิยะเนี่ยคือพระองค์เทพปุ๊บจิตสื่อจิตไปสปาร์คให้ตื่นขึ้นเหมือนพี่อะไรผู้ชายที่มาบวชกับเราญกับพระองค์เทพแล้วนะวันนั้นเราสัมภาษณ์เขาไงพี่เจียสัมภาษณ์เขาก็บอกไม่รู้วันนั้นฟังพระครูเทพปุ๊บเนี่ยจิตมันบอกว่าบวชไง นะพี่แอมเหมือนกันพอพวกครูเทศปุ๊บยกมือก่อนเพื่อนพอไป น, นอนปุ๊บเรายกมือทําไมเวลานั้นอะจิตมันยกนะแต่ใจมันยังไม่พร้อมไงเนี่ยเวลานั้นจิตสื่อจิตเวลานั้นผู้เจ้าเทศภัยยะจิตสื่อจิตจิตเดิมภัยยะฟื้นขึ้นมาเนี่ยอ๋อใช่ละชาตินี้เราคิดทุกเรื่องที่เราได้ยินคิดทุกเรื่องที่เรามองเห็น สร้างมโนกรรมตลอดมันถึงทุกข์เลยแค่นี้ก็บรรลุทาเป็นพระอรหันต์แล้วเห็นไหมอันนี้เกิดจากสุตมยปัญญาก็มีบางสายเขาก็เทศเทศเทศกระทุงนะบางทีเทศมาตั้งสี่ห้าสิปีก็ไม่เคยมีใครบรรลุเลยนะมันไม่ใช่ว่าเป็นสูตรสำเร็จว่าทุกคนทําได้มันไม่ใช่ทางสายกลาง มันเป็นสภาวะเฉพาะตัวท่านในทางโลกบอกเป็นความสามารถเฉพาะตัวอย่าเรียนแบบนะอย่างน้นอยๆเราฟังเราเข้าใจนะมันก็เกิดปัญญาระดับหนึ่งนะอันนี้เรียกว่าพาหิยะบรรลุธรรมเกิดจากการฟังธรรมเกิดจากสุตะมยปัญญาแค่ปิ้งเดียวบรรลุธรรมนะไม่ได้มาฝึกฌานหนึ่งฌานสองฌานส า, นส า, นส า, นสามสี่ไม่ได้ฝึก ที่เราสเตปแบบนี้นะส่วนพระลาหุนนะพระลาหุนนั้นนะ่ะเดี๋ยวพาหิยนะเนี่ยผู้เจ้าเนี่ยทรงชมเชยว่าเป็นผู้เลิศด้านตัดสรู้เร็วตัดสรู้เร็วที่สุดเลยนะฟังทำยี่เดียวบรรลุเลยส่วนพระลาหุนเนี่ยผู้เลิศในทาง ใคร่การศึกษาไฝ่เรียนรู้นะแล้วก็บรรลุธรรมโดยผู้ทเจ้าให้พิจารณาอายตนะภายนอกอายตนะภายในผัรษะหกวิญญาณหกแล้วก็ขันห้านะคือจริตมันไม่เหมือนกันนะเห็นผู้ไฝเรียนรู้อะไรเนี่ยเพราะว่าอยากรู้ทุกเรื่องก็ต้องพิจารณาอายตนะภายนอกหกมีเด็กๆ ด, ด้วยนะ ที่นี่ก็คือเมื่อกี้พระครูบอกนี่คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์ที่มันบักระทบอิจนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะอิตฉาภายในแล้วก็มันต้องอาศัยวิญญาณเนี่ยนะตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อกระทบปัสสะแล้วเนี่ยมันต้องใช้วิญญาณเนี่ยดึงเข้าไปรู้ที่ใจถ้าถ้าเราตายแล้วเนี่ยมันไม่ทํางานนะ ก็พิจารณาวิญญาณหกด้วยสิ่งที่เราทำอยู่ชัดเจนนะพวกครูก็เห็นทำด้วยสิ่งนี้แต่ไม่มีใครบอกพวอครูมันเป็นเรื่องของเก่านะก็พระลาหุนก็บรรลุธรรมด้วยการคำว่าพิจารณาไม่ใช่นั่งคิดเอานะคือ การเจริญสัมมาาวัวิปัสนาแหะก็คือเข้าไปเห็นการกระทบพัทธะของอิตนาภายนอกของเราได้ยินเสียงที่หูเสียงนั่นคืออิตนาภายนอกกระทบหูอิตนาภายในมารู้อารมณ์ที่ใจก่อนจะเกิดเวทนาแล้วก็วิ่งหนีอีกนะทำไปทํามาเราจะเห็นจิตมันแยกกายนะเนี่ยนี่คือขบวนการสูตรเดียวกับพระลาหุนนะทีนี้ พระสิวรีนะก็เป็นผู้เลิศด้านมีลาภมากก็สามเสีอาทิตย์ไม่ชีก็อ่านให้เราฟังนะอดีตเนี่ยสร้างบุญอะไรไว้นะเป็นผู้มีลาภมากไปที่ไหนคนก็ทำบุญกับท่านนะพวกนี้สร้างมาเยอะไม่มีวันอดตายนะเป็นบา ร, รมีไม่เหมือนกันเห็นไหม พระลาหุนก็สร้างกุศลมาแต่ว่าที่เหมือนกันคือว่าเขาต้องตั้งความปรารถนาอธิษฐานอธิษฐานบา ร, รมีเนี่ยคือเขาเรียกว่ามีผลนะแต่ไม่ใช่อธิษฐานเฉยเยไม่เคยทำความดีเลยเนี่ยอันนั้นฝันกลางวันนะอันนั้นฝันกลางวันนะอันนั้นมันวิปัสสนึกมันนึกเอานะมันต้องทำด้วยทำด้วยแล้วก็ตั้งมั่น ตั้งสัจจะตั้งอธิษฐานบา ร, รมีก็ส่งผลนะก็พระสิวลีบรรลุธรรมอะไรหรือไม่กำลังปองผมอยู่สี่ขั้นเลยนะเริ่มมวยผมแรกปุ๊บนี่บรรลุโสดาบันนะมวยผมที่สองนี่สกิทาคามีมวยผมที่สา อ, อนาคามี มวยผมที่สี่ปุ๊บเป็นพระอรหันต์เลยเห็นไหมเราแบบพระสิบรีดีไหมจะต้องไม่จะได้ไม่ต้องเต้นมาเบื่อเนาะแล้วก็วิ่งเข้าไปหาเพื่อนเราอยู่ในชักโครกนะเห็นไหมห้องนานี่หลนะทีนี้เราปรงผมไงทุกๆ ก, กี่วันนะทุกวันพระใช่ไหมนั่นแหละตอนปรงผมนั่นทำสมาธิให้ดีเนาะบางทีจะเป็นลูกหลานพระสิบรีก็ได้เนาะนะ เราสามารถบรรลุธรรมได้ทุกเวลานะมันไม่จะสู่สำเร็จตอนนี้เถียงกันเถียงกันต้องเป็นแบบนั้นต้องแบบนี้ผู้รู้เจ้าว่าอย่างนั้นพผู้รู้เจ้าว่าอย่างนี้ก็พู้เจ้าว่ากับพระรานหุ่นก็แบบหนึง่งว่ากับพระศิวลีก็อีกแบบหนึง่งว่ากับพยายะก็อีกแบบหนึ่งไงเห็นไหมแต่ว่าเราไปยึดมั่นถือมั่นวิชาที่เราไปเรียน นะครูบาอาจารย์สอนวิชานี้ต้องวิชานี้เท่านั้นถ้าวิชานั้นไม่ใช่ทะเลาะ ก, กันทั้งบ้านทั้งเมืองนะเพราะคูไม่ทะเลาะ ก, กับใครนะนะไม่ใช่มาอ่านฟังนิทานทำเฉยๆโอ้พื้นปิติแล้วกลับบ้านไม่ได้อะไรเลยเอากิเลสกลับบ้านไม่มีประโยชน์ น, นะเราฟังแล้วเราต้องรู้ว่านัยยะนั้นคืออะไรนะที่ช่วงหลังเนบเออรรษา น, นี้เราก็เอาเนี่ยแหละเออบางหมายถึงว่า อาทิตย์ไหนที่ที่มีจังหวะพ่อ ก, กูก็เอาเรื่องนะ่ะศึกษาประวัติพระอรหันต์ก็ได้ประโยชน์ในแง่เรารู้ว่าคำว่านาน า, น า, นานจิตตังมันคืออะไรมันไม่มีวิชาสูตรสำเร็จเลยว่าทุกคนเรียนวิชานี้มันจะบรรลุธรรมอันนี้แค่สามรูปนะสามแบบนะนะเห็นไหมแล้วอาทิตย์หน้าพ่อ ก, กูก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรนะแล้วแต่เหตุปัจจัยนะก็เกเกินให้ฟังว่ายังองคุลิมานี่มีศีลไหม องคุลิมานฆ่าสัตว์ไหมไม่ฆ่าคนฆ่าคนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าตัดนิ้วมาแขวนขี่คออาไว้คนไม่มีศีลมันมรู้ทําได้ยังไงแต่ไม่ใช่เราไปเรียนแบบองค์คุลิมานนะตกนรกไม่รู้เรื่องนะเราฟังแล้วเราก็ต้องให้เกิดปัญญาว่ามันเป็นเพราะอะไรไม่ใช่ฟังมาแล้วก็ยึดมัน่นถือมั่นก็ไปสอนคนอื่นต้องทําอย่างนี้พระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ ผู้เจ mm ้าว่าอย่างนั้นผู้เจ้าตอนกําลังคุยกับคนบินอนุสัยลิงเนี่ยก็ต้องใช้จริตอีแบบหนึ่งเห็นไหมอนุสัยมันไม่เหมือนกันไงแต่ทีนี้เราไปจํามาก็ไปยึดมั่นถือมั่นว่าต้องแบบนั้นต้องแบบนี้นะมันไม่ใช่เรามาอยู่ที่ศูนย์เพราะครูพูดเรื่องนาณาจิตตังเรามีโปรแกรมนาณาจิตตังเพื่อเตือนสติเราว่าอย่าเอาสภาวะธรรมเราเป็นบรรทัดฐานไปบอกให้คนอื่นทําเหมือนเราเด็ดขาด มันไม่เหมือนกันนะทีนี้คนเรามีสัญญากรรมมีวาสนาที่ต่างกันไม่เท่าเทียมกันไงจะไปเปรียบเทียบกันไม่ได้จะไปเอาวิชาเดียวกันมาปฏิบัติให้มันเท่ากันไม่ได้นะแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าคนนี้ต้องฝึกวิชานี้รู้สิ เราบรรลุทำก่อนยังไม่บรรลุอย่าไปสอนเขาเราก็เอาตัวเองเป็นที่ตั้งไปบอกเขาเนี่ยบอกเขาผิดเนี่ยเขาเสียเวลาชีวิตน่ยไม่ใช่ของเล่นนะสมัยพุทธกาลก็อ่านพระไตรปิฎกก็อ่านให้มันจบหน่อยฟังทำปุ๊บบรรลุโสดาบันค่อยบวชไม่ให้ไปไหนนะจนแตกฉานเป็นพระอรหันต์แล้วค่อยให้จาริออกไปประกาศภรมมาจาร์ น, นนะ ทุกวันนี้บวชแค่ไม่กี่วันจบแค่เป็นด็อกเตอร์ไปแสดงธรรมด็อกเตอร์ก็สูงสุดแล้วไงด็อกเตอร์แสดงธรรมไม่ได้นะธรรมมันจะเพี้ยนด็อกเตอร์ไม่เห็นธรรมไปแสดงธรรมได้ยังไงมันคนละเรื่องแต่ด็อกเตอร์ไปแสดงวิชาพุทธศาสนาได้อย่าไปแปรก็อ้างพพุทธเจ้า อ่านพระใจผิดดกไม่เคยทําตามพุทธเจ้าเลยมีแต่ไปท่องจําสิ่งที่ผู้เจ้าพูดนะแล้วเอาคําพูดของผู้เจ้ามาเป็นมาซื้อขายกันอีกเห็นไหมเราไม่ได้เกิดมาเพื่อไปท่องจําคําสอนพุทธเจ้าเราเกิดมาเพื่อทําตามที่ผู้เจ้าทำํำเถียงกันทะเลาะ ก, กันทั้งบ้านทั้งเมืองจนไม่รู้จะไปทางไหนอะนะ ทีนี้สิ่งที่มันเหมือนกันอย่างเดียวเท่านั้นอันนี้ก็เคยพ่อครูเคยพูดไปแล้วอะนะคือโอวาทปาติโมสิ่งที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกต้องทําเหมือนกันก็คือทําดีละชั่วกัดเกาจิตให้ผ่องใสหรือทานศีลภาวนาส่วนเทคนิคในการทําดีแล้วเนี่ยจริตมันไม่เหมือนกันไง บางคนทำดีโดยต้องการมาช่วยเหลือเด็กยากจนบางคนทำดีอยากไปสร้างวัดอยากจะไปสร้างโรงเรียนอยากจะไปช่วยเหลือคนแก่มันดีก็ไม่เหมือนกันเห็นไหมอย่าไปเถียงกันว่าของฉันดีกว่าของเธอดีไม่ดีกว่าแต่ขอให้มันดีเถอะขอให้เป็นการทำดีนะถูกแล้วทีนี้ละาชั่วบางคนก็ไม่เหมือนกันนะบางคนละช่วเขาถือศีลไม่นบางคนถือศีลแบบฉันไม่ใส่รองเท้า ฉันไม่กินเนื้อสัตว์นะไม่ใช่ผิดนะแต่อย่าเอาบรรทัดฐานของเราไปบงังคับคนอื่นต้องทำเหมือนเราก็มันไม่เหมือนกันไงอุบายวิธีไม่เหมือนกันเพราะว่าจริตไม่เหมือนกันนะบางทีเราติดรสชาติอาหารติดรสชาติเนื้อสัตว์เห็นไหมบางทีคนจีนเขาก็มีศาสตร์อะไรละ่ะถือถือศีลกินเจ อย่าน้อยพวกนั้นเขาล้างให้กวัวยังสะอาดเออฝืนกินเลส ช, ชักช่วงหนึ่งอะไรนี่น่ะเพราะเขาคิดว่าเขาติดรถไงเขาก็ฝึกใช่ไหมล่ะแต่บางคนเขาไม่ติดรถอ่ะเขาไม่ได้กินเนื้อสัตว์เขาไม่ได้กินเจเขาไม่ได้กินมังสวิรัตแต่เขากินอาหารน่ะกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินมันไม่มีสูตรสําเร็จเนี่ยการทําดีไม่มีสูตรสำเร็จ การละชั่วก็ไม่มีสูตรสำเร็จศีลของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเห็นไมทีนี้การเจริญภาวนาเจริญภาวนาก็คืออะไรนะคือการคือสัมมทัวิปัสสนาแหละส่วนสัมมาทัพุทธเจ้าก็ยกตัวอย่าง4ี่กองกรร ม, มาฐานนั่นคือตัวอย่างบางตอนเท่านั้นเองนะใบไม้กับมือเดียวที่พระองค์ยกตัวอย่างเนี่ยดึงมาแค่ใบเดียวมุ่งมั่นทาจริงๆเมันก็ได้แล้วนะ แต่ใบไม้ทั้งป่าเต็มไปหมดเลยนะเห็นไหมอันนี้ก็มีสี่สิบอย่างเอาเธอจะพิจารณาอะไรก็พิจารณาไปสิก็เป็นอุบายวิธีที่ต่างกันนะมันจะหลีดไม่เหมือนกันไงนะส่วนการเจริญวิปสัสสนาไม่ต้องพูดถึงเลยไม่มีสูตรสําเร็จต้องเป็นเรื่องของจิตรวนๆเขาดําเนินเองนะถ้าเราเข้าไปถึงจิตในจิตได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถเสด็จทำในธรรม พ่ชงทั้งเจ็ดซึ่งเป็นบา ร, รมีเก่าเราเนี่ยฝึกมาหลายชาติเนี่ยเขาก็แสดงตัวมาต่อยอดพ่ชงทั้งเจ็ดอันบุคคลจเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำวิชาและวิมุตติให้สมบูรณ์วิชาคือตัวชอช้างสองตัวนะไม่ชีน้อยวิชานี้ก็คือตัวปัญญาแต่วิชาที่เราเรียนในโรงเรียนในวิชาชอช้างตัวเดียวอันนี้เป็นวิชาการ วิชาทำขนมเคก้กวิชาทำโนดวิชาทำนี่มันเป็นวิชาการทางโลกแต่ถ้าเราวิชาตัวนั้นนะ่ะมาสร้างอาวุธนิวเคลียร์ไปฆ่าคนอะไรวิชานั้นก็ทำให้เราไปตกนรกแต่ถ้าวิชาชองชองสร้างสองตัวนี้ตื่นขึ้นแล้วเนี่ยเอาเราไปฆ่าทิ้งเราก็ไม่ทำชั่วแน่นอนไม่ทำชัว่ว นะคนละวิชานะอันนี้คือตัวปัญญาลูกนะแล้วก็หลายคนถ้าเกิดอารมณ์เบื่อนะลูกต้องดีใจนะยิ้มเลยว่าเราทำสำเร็จมาในหนึ่งนะมันคือผลที่เราปฏิบัติแล้วความเบื่อมีประโยชน์มากทำให้เราจางคายความยึดมั่นถือมั่นนะแต่ถ้าเราหลงความเบื่อเมื่อไหร่เนี่ยเป็นโทษมหาศาเลย เบื่อจนกูไม่เต้นล่ะกูไปอยู่กับเพื่อนรักดีกว่าอยู่ในชักโก้ก <c oughs> อันนั้นะความเบื่อทำลายเรานะทำให้เราพลาดโอกาสเห็นหมอารมณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีประโยชน์อารมณ์ดีก็มีประโยชน์อารมณ์ไม่ดีก็มีประโยชน์นั่นแหละอยู่ที่ว่าเราฉลาดใช้มันมาเป็นเครื่องมือของเราหรือไม่อารมณ์ดีอย่าไปหลงมันนะถ้าอารมณ์ดี ขาดสติพอเขามาตีหัวปุ๊บโกรธเลยนะเธอทำให้อารมณ์ดีฉันหายนะอารมณ์ดีเราก็เราก็รู้มันเดี๋ยวมันก็เกิดเดี๋ยวมันก็ดับเห็นไหมเราก็เห็นอารมณ์ดีมันก็เป็นอนิจจังทุกขงังตามันไม่เที่ยงมันดำรงอยู่ได้ยากเพราะมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนแน่นอนอารมณ์ไม่ดีอารมณ์เบือ่อเห็นไหม แล้วก็รู้เฉยเฉยแบบพวกูรู้เฉยเฉยเดี๋ยวสักพักหนึ่งแล้วไม่ไปเบื่อตามมันมันหลอกเราไม่ได้มันก็ดับอารมณ์ไม่ดีมีประโยชน์แ ล, แล้วเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของมันเราเข้าถึงกฎพระไตรลักษณะสามประการของธรรมชาติคืออนิจจงทุกขังอนัตตาฝึกวิธีไหนก็ช่างนะจะเป็นวิธีที่แยบยนวิธี วิธีเป็นแบบสุภาพเรียบร้อยอะไรก็ช่างเป้าหมายสุดท้ายก็คือให้เข้าถึงกฎพระไตรลักษ์เท่านั้นเองเมื่อจิตเราเข้าถึงตรงนั้นไม่ใช่รู้นะไม่ใช่รู้ไตรลักษณ์ใค ร, ใครๆก็รู้พี่ฟาสอนวันหนึ่งก็รู้แล้วไปสอบก็ได้เลยกฎไตรลักษมีอันนี้จังทุกครั้งอนนตานะลูกไปสอบก็ได้หมดอะ่ะไม่ใช่รู้แบบนั้นต้องเข้าถึงเมื่อจิตเข้าถึงกฎพระไตรลักษณ์แล้วว่าเฮ้ยอะไรก็ไม่ใช่นี่หว่าเห็นไหม อะไรก็ไม่ใช่เฮ้เมื่อกี้มีคําถามมาจากเยอรมันที่ถามว่าแล้วสุดท้ายเราเป็นอะไรใช่ไหมเพราะครูยังไม่ตอบอะไรชัดเจนเลยเนาะคุณคือสิ่งที่คุณทำเราอ่ะคือเราเป็นกรรมของเรานะั่นแหละจริงๆแล้วเราไม่มีเราไม่มีแต่การกระทําที่เราฝึกให้เรามีอัตตาสร้างตัว ต, วตวนขึ้นมาเราเลยมีไงนะเราจึงเป็นอัตตา อตาเกิดจากกรรมจุตุปาตยานเป็นวิชาที่สองที่พระเจ้าตัดสลุวิชาแรกคืออาสวะขยะยานยานรู้ไว้ได้วยการระลึกชาติพระองค์ไปเห็นเรื่องเวียนว่ายตายเกิดนะเห็นเรื่องบุญบาป เ, เรื่องกฎแห่งกฎแห่งกรรมและพระครูไปตัดสลุว่าเราเกิดเพราะกรรมตายเพราะกรรมนี่คือวิชาที่สองจุตุตาปาตยานนะกรรมทําให้เรามาเกิด แล้วก็บริสุทธิ์ดีๆก็มาสร้างกรรมใหม่ไปปรุงแต่งเธอชื่อบัญชานะบัญชาบัญคนเก่งนะนะบัญชาเก่งที่สุดเลยนะนะบัญชาเรากลายเป็นบัญชาแล้วเนะี่ยเราก็คืออัตตาที่เราสร้างขึ้นมาอัตตามันเกิดจากการสร้างกรรมทีนี้ผู้เจ้ากไปตัดสู้วิชาสุดท้ายพระองค์ไปเห็นว่าเราหลงสร้างกรรมมาหลายแสนแสนกับหลายล้า น, ล, านล้านชาติจะทำยังไงนะ พวงกันไปตัดสลูวิชาที่สามซึ่งเป็นวิชาที่พ่อครูถวายชีวิตนะอาสวะขยะยานยานรู้ว่าด้วยการกำจัดอาสวะกิเลสกิเลสทําให้เกิดตัณหาตัณหาทําให้เกิดอุปทานอุปทานทําให้เกิดทุกข์ก็วันนี้จบแค่นี้ก่อนเนาะก็สุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาใยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายในสาคุลจักรวาลพร้อมทั้งบุญบรารมีที่ได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติมา